ਰੋ اختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا مماجد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين พวกเขาได้ฟังอย่างชัดและเห็นอย่างชัดอะไรอย่างนั้นวันที่พวกเขาจะมาหาเรา แต่ทว่าในวันนี้บรรดาผู้อาธรรมอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งว่าอันดิรฮุมยอมะลฮะซเราะติอิซกฎิยัลอัมรวะฮุมฟีกัฟละติวะฮุมลายูอ์มินูนและเจ้าจงเตือนพวกเขาถึงวันแห่งความเสียใจเมื่อกิจการนั้นถูกตัดสินโดยที่พวกเขาอยู่ในการหลงลืม และพวกเขาก็ไม่ศรัทธาอินนานะห์นุนะริดุลอัรฎอวะมันอะลัยฮาวะอิไลนายูญจะอูนแท้จริงเราอัลเลาะห์เป็นผู้ครอบครองมรดกแห่งแผ่นดินและผู้ที่อยู่บนแผ่นดินและพวกเขาจะถูกนํากลับมายังเราวะกุลฟิลกิตาบอิบรอฮีมะอินนะฮูกานะศิดดีกอนนบียา จงรำลึกถึงเรื่องของอิบรอฮีมที่อยู่ในคัมภีร์แท้จริงเขาเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นศาสดาอิซกอละลิอบีฮิยาอบี انت ลิมะตะอ์บุดูมาลายัสมาอูวะลายับศิรุวะลายุฆนีอังค์ชัยอ์ละจงรำลึกถึงขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขาว่าโอ่พ่อจ๋า ทำไมท่านจึงเคารพบูชาสิ่งอื่นที่ไม่ได้ยินและไม่เห็นและไม่ให้ประโยชน์อันใดแก่ท่านเลยยาอะดาติอินนีกัดจาอานีมินัลอิลมมาลัมยาติกะฟัตตะบิอูนีฟัตตะบิอูนีอะห์ดิกะศิรอตอนซะวียะโอ้พ่อจ๋าแท้จริงความรู้ได้มีมายังฉันแล้ว ซึ่งไม่เคยมีมายังท่านดังนั้นจงเชื่อฟังปฏิบัติตามฉันเถิดฉันจะนําท่านสู่ทางที่ราบรื่นอะบาติลาตะอฺบุดิ ah. อัช-ชัยฏอนะ อินนะ อัช-ชัยฏอนะ กานะลิลเราะห์มานิอัศียะโอพ่อจ๋าอย่าเคารพบูชาชัยฏอนเป็นอันขาดแท้จริงชัยฏอนนั้น มันดื้อรั้นต่อพระผู้ทรงกรุณาโอ้พ่อจ๋าแท้จริงฉันกลัวว่าการลงโทษจากพระผู้ทรงกรุณาจะประสบแก่ท่านแล้วท่านก็จะเป็นสหายของชัยฏอน قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لا ان لم تنتهي لارجمنك وهجرني مليا เขาบิดากล่าวว่าเจ้ารังเกียจ และเจ้าจงไปให้พ้นจากฉันเถอะกอละซะลามุนอะลัยกะซะอัสตัฆฟิรุลักร็อบบีอินนะฮูกะนะบีฮะกียะเขาอิบรอฮีมกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่ท่านฉันจะขออภัยโทษจากพระผู้พิบาลของฉันให้แก่ท่านแท้จริง พระองค์เป็นผู้ทรงกรุณาต่อฉันมากวะอะอ์ตัสลิกุมวะมาตะดออูนมินดูนิลลาฮิวะอะดออูร็อบบีอะซาอัลลาอะกูนบิดุอาอ์ิร็อบบีชะกียาฉันจะปลีกตัวออกจากพวกท่านและสิ่งที่พวกท่านวิงวอนขออื่นจากอัลเลาะห์และฉันจะขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นบานของฉัน หวังว่าด้วยการวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของฉันจะไม่ทําให้ฉันรับความทุกข์แต่เมื่อเขาปลีกตัวออกไปจากพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาอื่นจากอัลเลาะห์แล้ว เราได้ประทานอิสฮากและยากูบให้แก่เขาและแต่ละคนเราได้แต่งตั้งให้เป็นศาสดาวะวะฮับนุละฮุมมินระห์มะตินาวะญะอัลนาละฮุมลิซานันศิดกัลอะลียาและเราได้ความเมตตาจากเราแก่พวกเขาและเราได้ทําให้พวกเขาได้รับการกล่าวขวัญที่ดีในหมู่มนุษย์ واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبي لا محمد จงกล่าวถึงเรื่องของมูซาที่อยู่ในคัมภีร์แท้จริงเขาเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเขาเป็นศาสนทูต اينا وقربنا له نجيا لا เราได้เรียกร้องเขาจากด้านขวาของภูเขาตรุดและเราได้เขาเข้ามาใกล้ชิดเพื่อพูดกับเขาโดยตรง وا وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبييا เราได้ความเมตตาของเราแก่เขาโดยให้พี่ชายของเขาคือฮารูนเป็นศาสดา و كن في الكتاب اسماعيل انَهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا لا مُحَمَّدٌ چونกล่าวถึงเรื่องของอิสมาอีลที่อยู่ในคัมภีร์ แท้จริงเขาเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อสัญญาและเขาเป็นศาสนทูตเป็นศาสดา وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَضِيَّا และเขาใช้กลุ่มชนของเขาให้ปฏิบัติละหมาดและจ่ายซะกาตและเขาเป็นที่โปรดปรานนะที่พระผู้อภิบาลของเขาและจงกล่าวถึงเรื่องของอิเดรีสที่อยู่ในคัมภีร์แท้จริงเขาเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นศาสดา لَأَوَدَّى يَوْقُ يَوْنْهَ كَوَيْنَ نَئَامَ نَئَامَ أُلاَ إِنَّ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا และจากเชื้อสายผู้ที่เราได้ให้ทางนําและเราได้คัดเลือกไว้แล้วเมื่อบรรดาองค์การของพระผู้ทรงกรุณาถูกอ่านแก่พวกเขาพวกเขาจะก้มลงกราบและร้องไห้กะคอละฟะมินบะอ์ดะฮุมคอลฟุนอฎออุลศอลาตวัตตะบะอุลชะฮะวาติฟะซาวฟะยัลกูนฆิยาภายหลังจากพวกเขาชนชั่วก็ได้สืบช่วงต่อมา พวกเขาได้ละทิ้งละหมาดและปฏิบัติตามความใคร่ต่อมาพวกเขาก็ประสบกับความหายนะอินนามันตะบะวาอามานะวะอามิละซอลิฮันฟาอูลายกะยัดคูลูนัลญันนะวะลายุซลามูนชัยอ์เว้นแต่ผู้ขออภัยโทษและศรัทธาและกระทำความดีชนเหล่านั้นจะได้เข้าสวนสวรรค์ <würdenancia> <Oxide> โดยที่พวกเขาจะไม่ได้รับความอธรรมแต่อย่างใดจันนะติอัดรินลลตีวะอะดอัรเราะห์มานูอิบาดะฮูบิลไฆบอินนะฮูกานะวะอดูมะติยาสวนสวรรค์อันสถาพรซึ่งพระผู้ทรงกรุณาทรงสัญญากับพวงบ่าวของพระองค์ด้วยความเร้นลับซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน ถ้าจริงสัญญาของพระองค์นั้นจะมีมาอย่างแน่นอนลายัสมาอูนฟีฮาละฆวนอิลลาซะลามะวะละฮุมริซกุมฟีฮาบุกเราะตันวะอัชียาพวกเขาจะไม่ได้ยินสิ่งไร้สาระในนั้นนอกจากคําทักทายที่เป็นความสันติและสําหรับพวกเขาจะได้รับเครื่องยังชีพของพวกเขาในนั้น ในยามเช้าและยามเย็นจินกัลญะนตุลละทีนูริซุมินอิบาดินามันกานาตะกียะนั่นคือสวนสวรรค์ที่เราได้เป็นมรดกแก่พวงบ่าวของเราที่มีความยำเกรงวะมานะตันซะลุอิลลาบิอัมริร็อบบิกละฮูมาบัยนาไอดีนาวะมาค็อลฟะนาวะมาบัยนาฑาลิกวะมากานะร็อบบุกะนะซียา และเรายิบรอยไม่ได้ลงมาเว้นแต่ด้วยพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของเจ้าสำหรับพระองค์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ระหว่างเบื้องหน้าของเราและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของเราและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นไม่เคยหลงลืมสิ่งใดเลย رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبدل لعبادته هل تعلم له سميا พระผู้เป็นบานแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองดังนั้นเจ้าจงเคารพภักดีต่อพระองค์และจงอดทนต่อการเคารพภักดีต่อพระองค์เจ้ารู้หรือว่ามีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์บ้าง ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا لمนุษย์ผู้ปฏิเสธกล่าวว่า เมื่อฉันตายไปแล้วฉันจะถูกให้ออกมาในสภาพมีชีวิตจริงหรือ อو لا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا มนุษย์ไม่คิดบ้างหรือว่าแท้จริงเราอัลเลาะห์ และบังเกิดพวกเขามาแต่การก่อโดยที่เขาไม่ได้เคยเป็นสิ่งใดมาก่อนเลยดังนั้นขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าแน่นอนเราจะชุมนุมพวกเขาพร้อมด้วยบรรดาชัยฏอน และเราจะนําพวกเขาให้มาคุกเข่าอยู่รอบๆนรกซุมมาลันซุอันมินกุลลีชิอะอายยุมอัชดดอะลาอัรเราะห์มานอะตียาแล้วแน่นอนที่สุดเราจะดึงออกจากทุกๆคณะใครในหมู่พวกเขาที่ดื้อรั้นที่สุดต่อพระผู้ทรงกรุณาซุมมาลันนัห์นุอะอ์ลามบิลลดีนุมเอาลาบิฮาอัศลียา <yo> <stid> แล้วแน่นอนที่สุดเรารู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้าไปอยู่ในนรกวะอินมินกุมอิลลาวาริดาฮาวะอินมินกุมอิลลาวาริดาฮากานะอะลาร็อบบิกะฮะตมันมักฎิยาและไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้านอกจากจะเป็นผู้ผ่านเข้าไปในนั้น มันเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แน่นอนแล้วสำหรับพระผู้บิดาของเจ้าซุมมาลุนัจญัลละซีนะตักอวนะดัรรอดดารีมีนะฟีฮาจิฟียะแล้วเราจะให้บรรดาผู้ยำเกรงรอดพ้นแล้วเราจะปล่อยบรรดาผู้อธรรมคุกเข่าอยู่ในนรกนั้นวะอิซาตุลลาอะลัยฮิมอายาตุนาบัยนาตินกอลัลละซีนะกัฟะรุลละซีนะอามานู أي الفريقين خير مقاما وأحسن دنيا เมื่อองค์การทั้งหลายอันแจ่มแจ้งของเราถูกอ่านขึ้นแก่พวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าฝ่ายใดใน 2 ฝ่ายนี้จะมีฐานะเหนือกว่าและมีเกียรติทางสังคมมากกว่า لَكِ مَا قَلِيلٌ لَّوْ أَنَّنَا دَمَّرْنَا بَشَرًا قَبْلَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مِثْلُ الْأَدَوَاتِ وَأَجْسَامٌ أَفْضَلُ قُل مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ث <San> سيعلمون <-tiny> من <San> هو <-tiny> شر مكلا و اضعف جندا لجง กล่าวเถิดผู้ที่อยู่ในความหลงผิดนั้นพระผู้ทรงกรุณาจะทรงผ่อนผันให้พวกเขาสักระยะหนึ่งจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาได้ถูกสัญญาไว้ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษในโลกนี้หรือจะเป็นการลงโทษในปรโลกแล้วพวกเขา และมีกําลังผลน้อยกว่า وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا และอัลเลาะห์ทรงเพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่อยู่ในแนวทางนั้นและการงานที่ดีที่มั่นคงนั้นดียิ่งหน้าที่พระผู้อภิบาลของเจ้าในการตอบแทนรางวัล และดียิ่งในการกลับไปสู่พระองค์เออฟารอห์เจตผู้ใดที่ กفر บิอายาตินาวะกาละละอูตัยนะมาลัมวะวัลดะเจ้าเห็นหรือไม่ว่าผู้ที่ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราแล้วเค้ากล่าวอ้างว่าฉันจะรับทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั้นอัตตัลอัลไกบะอัมมิตะฮัดอินดัรรัห์มานอะฮดะ เขาล่วงรู้สิ่งเร้นลับหรือว่าเขาได้รับคํามั่นสัญญาจากผู้ทรงกรุณากัลละจะนึกบันทึกมายพูดและมดุให้จากการลงโทษแก่เขาอีกระยะหนึ่งและเราจะรับช่วงสิ่งที่เขากล่าวไว้จากเขา และเขาจะมาหาเราอย่างโดดเดี่ยววัตตะคุดูมินดุนอัลลอฮิอาลิฮาตะลิยูนูละฮุมอิซาและพวกเขาได้ยึดเอารูปปั้นต่างๆเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลเลาะห์เพื่อที่จะเป็นพลังอํานาจให้แก่พวกเขาคัลลาซัยัดซูรูนบิอิบาดาติฮิมวะยูนูนอะลัยฮิมฎิดดะเปล่าเลยรูปปั้นเหล่านั้น อย่าปฏิเสธการเคารพบูชาของพวกเขาและพวกมันจะเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขาอะลัมตะรออันนาอรสลนาอัชชะยาตีนอะลาลกาฟิรีนะตอซซุฮุมอัซซาเจ้าไม่ได้เห็นหรอกหรือว่าแท้จริงเราได้ปล่อยให้ชัยฏอนมีอำนาจเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อมันจะได้ยุแยเท็จเพื่อมันจะได้ยุแยพวกเขา يا تي جا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا لذلك เจ้าอย่าได้เร่งร้อนลงโทษต่อพวกเขาแท้จริงเราได้นับวันที่เหลือไว้สําหรับพวกเขาแล้วด้วยการนับที่แน่นอน يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا วันที่เราจะรวบรวมบรรดาผู้ยำเกรงมาชุมนุมต่อหน้าพระผู้ทรง เป็นกลุ่มๆ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا เราได้ไล่ต้อนบรรดาผู้ที่มีความผิดไปยังนรกอย่างสัตว์ที่กระหายน้ําเป็นฝูงๆ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ الْتَقَدَى عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا พวกเขาไม่มีอำนาจในการช่วยเหลือนอกจากผู้ที่ได้ทำสัญญาไว้กับพระผู้ทรงกรุณาเท่านั้น وقال اتخذ الرحمن ولدا لاพวกเขายาฮูดและนาซารอกล่าวว่าพระผู้ทรงกรุณาทรงตั้งพระบุตรขึ้นเพื่อโปรดแล้วقادิจึตุมชัยอันดะแน่นอนที่สุด พวกเจ้าได้นำมาซึ่งสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งใหญ่ตะกาดุสสมาวาตยะตะฟัตตัรนะมินฮูวะตันชักกุลอัรฎุวะตะคฮิรฎุลจิบาลฮัดดาบรรดาชั้นฟ้าแทบจะพังทลายลงมาและแผ่นดินก็แทบจะพล่มลึกลงไปและบรรดาภูเขาก็แทบจะทลายลงมาเป็นสิ่งศิอัณฑาลิลเราะห์มานวะลาดา ที่พวกเขายัดเยียดพระบุตรต่อพระผู้ทรงกรุณาวะมายันบะกีลิลเราะห์มานไอยัตตะฮิดวะละดาและไม่เป็นการบังควรแก่พระผู้ทรงกรุณาที่พระองค์จะทรงตั้งพระบุตรขึ้นอินกุลลุมันฟิสสะมาวาติวัลอัรฎิอิลลาอาติรเราะห์มานอับดะไม่มีผู้ใดในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน เว้นแต่เขาจะมายังพระผู้ทรงกรุณาในฐานะบ่าวคนหนึ่งเท่านั้นแน่นอนที่สุดพระองค์ทรงรอบรู้ถึงพวกเขาและทรงนับพวกเขาอย่างถี่ถ้วน <tríe> <Metro> وكلهم آتي يوم القيامه فقد لا كل الناس พวกเขาจะมายังพระองค์ในวันกิยามะอย่างโดดเดียว ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن عدا บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นพระผู้ทรงกรุณาจะให้ความรักใคร่แก่พวกเขาอินนามายัสซัรนาฮูบิลิซานิกะลิตับชิรบิฮิลมุตตะกีนลิตับชิรบิฮิลมุตตะกีนวะตุนซีรบิฮิเคาอ์มัลนุดาแท้จริงเราได้ทําให้อัลกุรอานเป็นภาษาที่ง่ายแก่เจ้า เพื่อว่าเจ้าจะได้นํามันไปแจ้งเป็นข่าวดีแก่บรรดาผู้ยำเกรงและเจ้าจะได้นํามันไปตักเตือนในชุมชนที่ดื้อรั้นวะกัมอะห์ลักนากับละฮุมมินกอรฮัลทุฮิสมินฮุมมินอะหัดอาวตัสมาอูละฮุมริกซาละกี้มากน้อยแล้วจากประชาชาติในอดีตที่เราได้ทําลายพวกเขา เจอเห็นผู้ใดในหมู่พวกเขาหรือได้ยินเสียงกระซิบของพวกเขาบ้างไหม